อ่ะเป็นไงมั่งนั่งปฏิบัติธรรมกันประมาณ20นาทีนังสือยังไม่ต้องเก็บนะตอนนี้นั่งฟังก่อนนั่งนิ่งๆกันก่อนลองเล็บโยมก็ฝึกพระก็ฝึกกรรมฐานมีหลายๆอย่างพี่น้องพูดต้องชี้กัน เดีย๋ยวพาะาใหม่กับประถาน้นองยึดเป็นหลักไว้ก่อนจะบวดเมื่อนมจะบวดเมื่อแก่จะออหักหลักรอยคอยงานจางการเสื่อมเลื่อมสบวดจะเบียดบวดแก้บนบวดตามเปรเฟนียอะไรก็ตามเถอะนศึกสายจะมาประตูกบังครับปี2ปี3ปี4อาจารย์เรื่องอะไรก็ตาม เราทำวัดตวจมาเรานั่งปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าจิตของเราเป็นยังไงงอกง่วงเซึมเราเป็นยังไงคนหนม ง, ง่วงเป็นยังไงยังตั้งท่าดีอยู่รู้สึกตัวคนแก่ง่วงเป็นยังไงหัวทิม่มหัวตํามได้ฝึกตนแค่ไหนต้องพิจารณาตน mm. อ้างไม่ได้ คืนมาบวชแล้วนะคืนเจอวบวชแล้วแล้วามาวัดมาวากแล้วต้องวัดกันเต็มที่เต็มเหนี่ยวทุกขณนะทำไมต้องวัดเพราะว่าโลกมันมีภัยโลกมันมีภัยต้องรู้ว่าตรงที่มันปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนการปฏิบัติธรรมหรือว่าวิจัยกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวก็ต้องให้รู้สึกตัว ก็ามารู้สึกตัวนะก็คือเคลื่อนไหวหยับยาบ ก, กระทบสัมผัสรู้ไปตรงกายยาวิญญาณจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนรู้สึกตัวขณะที่รู้สึกตัวจิตไม่สะดุง้งไม่หวาดผวาเช่นขนาดเนี้ยฟ้าร้องฟ้าแลบเนี่ยถ้าคนไม่มีสติสะดุง้งขนหัวลุกจะไงขาดสติสารพัดความมืดนิดมืดหน่อยก็กลัว ขี้ขาดตาขาวก็เร like um ียกว่าอาสุรกายคนขี้ขาดบัจนเป็นอาสุรกายเดี๋ยวได้เรื่องอยากจะกล้าหาญขึ้นมาเดี๋ยวก็มีสุระสุราเข้ามากินเหล้าแล้วหน้าด้านกินเหล้าแล้วก็กล้าหาญขึ้นมาทายสุดเสพจึงติดเพราะติดจึงอยากก็อยากจึงเสพกล้าตอนเมาแต่ตอนดีๆ ไม่กล้าไปชิญหน้านอะไรทั้งนั้น <_ d ream> จะทวงนี่ก็ไม่กล้าถ้าดื่มเหล้าแล้วหน้าด้านกล้าทวง <_ d ream> จะจีบสาวก็ไม่กล้าถ้ากินเหล้าหน้าด้านแล้วกล้าจีบ <_ d ream> เมาบาทีก็เมาเจ้ายศเจ้าอย่งางเมาอํานาบบ้าแานบไม่เคยมีอํานาบมาเมียหน้าก็ บ, บา้า <_ d ream> ก็เป็นอย่างนั้นคนเมาสารพัด <_ d ream> เมาทรับหลงลูกห่วงลูกหลงหลานห่วงหลานหลงบ้านหลงทรัพย์เราก็เลยมาฝึกกันนี่แหละรู้สึกตัวรู้สึกตัวฝึกไม่ดีก็เ ม, มาเทรแม่อีกทรแม่มันหน้าเมาอยู่หรอกหน้า ห, ออ ล, หาลงอยู่มันก็มีหลายๆอย่างเราก็จึงเห็นช่องว่างในที่ขับขันช่องว่างในที่แคบต่างๆมันก็เข้าถ้ำ มันมีช่องออกอยู่ถึงมันจะเละ ข, ขนาดไหนมันก็มีช่องออกจนได้แล้วถึงแม้กระทั่งเราจะเข้าไปจุดใดจุดหนึ่งจะต้องแทรกแทรกตัวหลบภัยมันก็มีช่องว่างพอที่จะแทรกไปจนได้อีกนั่นแหละเข้าป่าระหว่างต้นไม้กับต้นไม้มีน้ํา มีไม้เล็กไม้ใหญ่แล้วก็แทรกแทรกตัวเหมือนปฏิบัติธรรมเลยปฏิวัติธรรมมันมีความคิดมีอารมณ์ต่างๆมากมายเราก็แทกแทรกไปน่ยคือความรู้สึกตัว mm. เป็นช่องว่างเป็นกระแสเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพาน mm. ถามว่าเราเห็นไหมหรือว่าง่วงก็ไปกับความง่วงหัวทิ่มหัวตําไม่ร่วมคืออะไรไม่แทรกหรอกเอาความรู้สึกตัวแทรกแทรกกันไป ปลุกเล้าเข้าไปมันจะยากตรงไหนเพราะนั้นมันมีหลักนะกรรมาฐานนะหลักกรรมาฐานคือเคลื่อนไหวรู้สึกเรื่องอื่นๆน่นไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแนหะ mm hmm. ตราบใดเคลื่อนไหวรู้สึก mm hmm. ยังไม่รู้สึก mm hmm. ก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับอะไรเลย mm hmm. มันจะไปไม่ถึงไหนกัน mm hmm. พยายามนั่งสร้างจังหวะเข้าไว้อย่าอยู่นิ่งๆกรรมาฐานแนวเคลื่อนไหวอนิ่งไม่ได้ ถามว่าละลมหายใจมันรับรู้ไม่ได้ไงก็ได้อยู่แต่ถ้าทําเป็นมันหายสงสัยแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วแหละมันเป็นกรรมฐานชั้นสูงเป็นระษณะของความรู้สึกตัวที่เป็นเองการเคลื่อนไหวที่เป็นเองมันเล็กๆมไม่ใช่ใหญ่ๆแต่ว่าการเคลื่อนไหวเดินจงกรมเนี่ยมันใหญ่มันยาบ เอาอยู่ก็เรืงแหลเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบนะีว่ารู้สึกตัวแล้วมันจินไม่ได้ไปสนใจฟ้าร้องฟ้าแลบหรอกไม่ทางเวลานั่งปฏิบัติธรรมเม้นะว่าทำบางคนส่งเสียงพูดคุยนะอย่างเงี้ยจิตของเราก็รู้อยู่ก็ได้ห ว, วั่นไหวอะไรหรอกปัญหาจังหวะเฉยๆเดี๋ยวจังหวะใดจังหวะเนิ่จะมีโอกาสจะบอกกันอยู่หรอกอะไรเงี้ยวันนี้ยังไม่บอกปุ่งนี้อาจจะบอกให้อโอกาสโดยจะเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเป็นต้น มันก็รู้อยู่จะพูดไม่พูดในอีกเรื่องหนึง่งอย่างเงี้ยมันก็ดีแบบเนี้ยความเป็นปกติปกติก็คือปกติมารู้สึกตัวเมื่อเคลื่อนเมื่อไหวมันก็จิตปกติถ้าจิตไม่ปกติมันก็ไปทำอะไรมากมายเหลือเกินพระบางคนอาจจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไดนะ้เห็นมีบางคนบางรูปเนี่ยมามาเผี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ต ร, ตรงนี้วันสองวันนีอันนี้ก็ต้องจัดการกันให้เรียบร้อยนะ วัดนี้ไม่เคยปรากฏแบบนี้พระต้องรู้กายระเทสะจะมาทำอะไรกันตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องทขาทมาตอนนั้นประเภทดูหนังฟังเพลงไม่เอามันมีต้นบัญญัติมากมายแล้วกินสมัยเพื่อการทำอะไรก็ได้เดี๋ยวถ้าอยู่แล้วสังคมยุ่งเหยิงชุมชนยุ่งเหยิงก็ต้องใช้กรอบระเบียบวินัยเข้ามามีศีลมีธรรมเข้าม า, าเช่นว่าปกติเนี่ยพระเนี่ย สมัยพุทธกาลเนี่ยฉันได้นะสามมือเลย mm hmm. กลางคืนมีพระอยู่หลวงชื่อชื่ออุทา ย, ยี mm hmm. ชอบบินตะบานคืน mm hmm. กลางคืนเนี่ยถือบาทเอาไปแล้วกลางวันไม่ถือบาท mm hmm. มีนิสัยแปลก mm hmm. กลางวันไม่เห็นตัวแต่กลางคืนเนี่ยออกบาท mm hmm. เดินบินตบา mm hmm. นครั้นี้ไปเหยียบวัวแม่ลูกอ่อนก็โลมันตาย มีคนไปจอดไปฟ้องกัาพรเจ้าต่างตงแต่ตตนั้นมาต้นบัญญัติอุทายีก็เลยเป็นต้นบัญญัติก่อนหน้าไม่ผิดแต่ภายหลังจากนั้นกำหนดไว้เป็นพระวินัยห้ามอานะพระสงฆ์ชาวเอนเป็นนอนตกบายพักผรตอนเย็นทำวัดดึกๆนอนหลับตื่นขึ้นมาซัดมาม่าอะไรนะั้นมันก็เป็นกระบวนการต่างๆ ที่เขมีข้อกําหนดเอาไว้โยมก็เหมือนกันมีกรอบมีข้ อ, อกําหนดมากมายแล้วเกินชุมชนแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามารู้สึกตัวสะอย่างะมันก็ไม่มีความสําคัญอะไรหรอกศีลธรรมมันอยู่ที่ความรู้สึกตัวศีลคือความเป็นปกติแต่ถ้ามีไว้บ้างก็ดีสำหรับคนที่ยังไม่มีสติสําหรับคนที่ยังไม่มีความรู้สึกตัวอันนี้ก็ต้องใช้กันบ้างแต่ว่าต้องตอบคาถามให้ได้ก็แล้วกัน ว, ว่าทําทําไม ต้องตอบให้ได้บริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจอย่างไรอย่างนี้นะมันก็มีเรื่องที่มันจะต้องเก <_ tit ling> ี่ยวข้องกันวัตถุน 1, 2, 3, น, 1 2, 3, าานึ่บุคคล1นึ่กาลาเทศะประเณนีหรือว่ากิจวัตรประจําวันต่างๆมันก็จึงเป็นความ <_ tit ling> รู้สึกตัวได้ทั้งหมดเนี่ยความรู้สึกตัวทําให้เราออกมาจากความคิดเ <_ tit ling> ดี๋ยวว่าความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจ <_ tit ling> ความคิดที่เราเหมือนกับว่า ชบเผลอหลงไปปรุงกับมันโดยที่ไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวขนาคิดไม่มีความรู้สึกตัวขนาดเคลื่อนไหวนั่งเดินยืนนอนไม่มีตัวสติที่ว่องไวเป็นไหวพิปติพาณรู้รอบกองสังขารรู้าทาวรทั้งหกเพราะวาวรทั้งหกนี่เป็นตัวถ้าเราเผลอมอไหลแล้วมันดึงกลับมาเมื่อไหร่ก็พอใจไม่พอใจสุขทุกข์ติดเป็นเรื่องของวิบาก เป็นเรื่องของจริตนิสัยต่อไปจริตนิสัยหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าทำซ้ำๆๆๆๆๆๆๆจะเป็นจริตนิสยัยอนุสยัยสันดานสันดอนขุดง่ายแต่ว่าสันดานขุดยากคนมีนิสัยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการใช้กฎกรอบกฎก็คือข้อกําหนดพระทาไมกําหนดก็กำหนัดเกิดขึ้นมาแทน มันก็เลยใช้ข้อกําหนดกันกําหนดรู้ความรู้สึกตัวเจตนากําหนดรู้ความรู้สึกตัวเบื้องต้นยังไงก็ต้องทําแต่ถ้าทําเป็นแล้วไม่ต้องกําหนดมันไม่ต้องเจตนามันเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวที่มันพาทำแล้วทําแล้วมันมีปีติทําแล้วมันมีความสุขทําแล้วมันเกิดความสงบกายสงบใจทําแล้วมันรู้สึกเออทุกข์ลดลงความคิดต่างๆที่กระปากอดเคลนมา ความคิดต่างๆที่มันเคยแสดงออกมามันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นมันก็พาเราใช้เวรใช้กรรมต่างๆมากมายเหลือเกินมีพฤติกรรมทางกายวาจาใจอย่างี้ทำไมเราต้องเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่ น, นเราก็จึงมารู้จักตัวเองพอเราปฏิบัติทำไปประดับทมไปไม่มีใครหรอกที่จะชั่วมากกว่าเรา ตัวเราเองเดี๋ยวชั่วมากที่สุดผิดมากที่สุดมากมายเหลือเกิน mm. เราไม่เห็นอย่างนั้นเราก็สงสารตัวเองเหมือนกัน mm. เห็นกายเนี่ยสงสารมาเลย mm. Mm. เคยทํางานห้ามลุ่งหามเข้ม mm. mm. ไม่พักไม่พอน mm. mm. บางทีก็เอาของเผ็ดเผ็ดแสบแสบใส่ให้มัน mm. บางทีมันก็ทุกอยู่แล้วยังโกรธ้าไป mm. ยังโลภยังหลงเข้าไป ยังไปทำอะไรมากมายให้กายมันต้องช้ำอย่างเนี้ยกัางคืนก็ไม่พักไม่พอนไม่นอนไม่หลับมันก็น่าสงสารนะมันสงสารตัวเองเวลาไปปฏิทเนะแต่ว่าต้องให้เวลาตัวเองสักหน่อยหันกลับมาดูแลตัวเองนั่งยกมือหามุมเงียบๆอย่างเงี้ยนะครับปลีกวิเวไม่คุกเกลีตัวใครตัวเรา ใช้ธรรมที่เป็นธรรมที่ทําให้เกิดความไม่เสื่อมขึ้นมาเช่นสมรวมดีๆอินทรีย์สังวรสมรวมให้ดีๆเดี๋ยวไปส่งสายตาพูดคุยกันภาษามือภาษาไม้ภาษาอะไรกันมากมายจับเปลกจับหลักลักษณะของประเด็นปฏิบัตินในไฮไดจับหลักนะไม่ใช่จับเหลกนะจับหลักประเด็นของการปฏิบัตินในไฮไดลักษณะเคลื่อ น, นไหวรู้สึก เกินไหวรู้สึกมันงอกง่วงก็ต้องผ่านมันมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็ต้องรู้จัก mm hmm. เปลี่ยนนยาปวดททุกกายปนไายบรรเทาแก้ไขแต่ว่าต้องมีสติสักนิดนึงหลวงพ่อเทียนจิตสโพเนี่ยมาไม่เคยเจอแต่ฟังเทปของท่านดูซีดีดูสื่อของท่านสมัยที่ปฏิบัติท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาส mm hmm. ไม่ค่อยมีโอกาสเคยมากอาจารย์สมใจเหมือนกันสมัยนั้นท่านเป็นอาจารย์เราเป็นนักศึกษา เคยมากันไปหากันที่ทัพมิ่งฝันก็ไม่เจอเคยไปที่สนามในก็ไม่เห็นหลวงปู่เทียนไม่เจอกับหลวงพ่ออมเขียนว่ อ, อเขียนเจอ <S <S อาหลวงปู่เทียนบอกว่าเวลาฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยให้เรารู้สึกตัวขณะที่เราปวดเมื่อยขึ้นมาให้เรามีสติกำหนดรู้ความรู้สึกตัวก่อนมันปวดมันเมื่อยที่กายรู้สึก เสร็จแล้วก็มีสติระลึกเปลี่ยนอียบทค่อยๆลุกขึ้นเป็นจังหวะด้วยนะเป็นจังหวะแล้วก็ยืนพอยืนเสร็จปั๊บเออมันก็หายเมื่อยแหละนะเลือดลมมันเดินปลานมันเดินลมปลาบนนะ่ยมันวิ่งทั่วสัลพางกายมันก็สบายตัวอันนี้เราก็ยกมือ14จังหวัดในท่ายืยนหรือว่าพอยืนเมื่อยก็เดินต่อไป ขณะเดินก็วางหน้าวางตาวางมือวางไม้ให้ดีดมือเนะี่ยอย่าปล่อยแฟงเวลาปฏิบัติเดินจงกรมมือจับกันไว้ที่สะดืก็ได้ก mm hmm. อดอกก็ได้ไปหลังก็ได้อย่าเดินปล่อยแฟงไปเรื่อยเปื่อยเลย mm hmm. อ่ะถ้าเดินแล้วก็ไม่ทุกข์ก็เดินไปเถอะ mm hmm. ไม่ว่าอะไรแต่ไม่ใช่เทคนิคหลงปเทียนนะบอกกัน mm hmm. เทคนิกลงปุถียนเนี่ยมันมีอะไรเป็นกุศโลบายอยู่เยอะ mm hmm. เทคนิคปฏิบัติ เพื่เกิดความรัดสั้นนะ่ะนะไม่มีอะไรหรอกเดินตามใจก็ได้เดินตามกิเลสมันเราควรเรียนตามพ่อก่อตามครูชัดเจนตรงไปตรงมาตรงประเด็นทีเดียวเสร็จแล้วเดินน่ยวางหน้าวางตาให้ดีๆหน้าตาก็ต้องผ่อนคลายบางทเีเดินไปเดินไปอาเก๊กเฉยเลยหลังตึงๆเกร็งๆ ก, ก, ก็ต้องเห็นน่ยอย่างตอนนี้เราต้องเห็นแล้วนะว่าเราเกร็งหรือเปล่าเวลานั่งนีรู้สึกความผ่อนคลายขาก็สบาย คอก็คลายหัวก็รู้สึกสบายสๆโล่งโๆต้องกลับมาสังเกตตัวไกลของเราก่อน mm hmm. วางใจ mm hmm. ให้คล็ดคลายวางกายให้คลคลายอเงี้ยมันมีอยู่เสร็จ mm hmm. แล้วเราก็เดินไปเดินกลับใหม่ๆนะเดินไปเดินกลับซ้ายทีหนึ่งขวาทีนึงผู้ใหม่ฟังเอาไว้ mm hmm. เดี๋ยวจะทําไม่เป็น ซ้ายทีหนึ่งขวาทีนึงไปถึงฝั่งนู้นอา้าซ้ายมาพอมาถึงฝั่งนี้อ้าขวากลับไปมันจะพอดีมันจะสมดุล<ม>เออรุ่นนี้ลืมบอกไปเวลาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยอย่าลุกไป<ม>ให้ทนอย่างเดียวเลยอย่าลุกไปให้ทนพอเวลาเราลุกเนี่ยเสร็จเลย<ม>เพื่อนสะดุ้งเลยผู้เทศก็สะดุ้งเหมือนกันไม่อยากเทศเลยละเ<ม>พราะนิมิตมันเปลี่ยนไปแล้วยม นิมิตหมายมันเปลี่ยนไปแทนที่จะเดินอารมณ์ได้เป็นอารมณ์ปฏิบัติทบทวนมีสติระลึกอดีตภาพปัจจุบันมันปรากฏมาแล้วอย่างเงี้ยจิตมันก็จับปัจจุบันนะสิครเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องพูดก็แล้วปัจจุบันสำคัญที่สุดก็ต้องสอนประเมินกันจากนิมิตที่กำลังปรากฏขึ้นมาเนี่ยแลหละทําไมถึงไม่ให้ลุกขณะฟังเทศฟังถามเอา้าคุณไม่รู้เรื่องไงเหตุหที่คุณลุกไปผลจะเกิดอะไรขึ้นมา แล้วผลที่คุณต้องลุกเนี่ยเหตนีคุณรูไ้ไหมก็คืออะไรทํำไมไม่เตรียมตัวเช่นน้ําเนี่ยเราดื่ม น, น้อยก่อนที่จะมาทําวัดเนี่ยสองก็คือไปเยี่ยมซะก่อนให้เรียบร้อยหนึ่งชั่วโมงทนไม่ได้ไมรู้ไปต้องรู้จักนะปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเนี่ยอันนี้พระเจ้าทําเอาไว้ก่อนพภา น, นเาุเทศสารีบุตรเทศพระเจ้าเคารพมากเลยยืนฟังเฉยเฉก่อนอันนี้มาไม่เห็นหรอกแต่ว่าศึกษาจาก ถ้าไตรปิฎกศึกษาจากหนังสือตั้งลับตำลาเขาพูดเอาไว้มีอาจจะโกหกก็ได้นะแต่มาเชื่อว่าไม่โกหกหรอกเพราะจริงๆจิตใจนิมิตหมายเนี่ยมันทําให้เราเปลี่ยนเรื่องเท็จได้เลยปัจจุบันขนาดไงถ้าเราเห็นปัจจุบันขนาดได้ยินปัจจุบันขนาดเราก็สามารถที่จะเรียบเรียงทำแม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเหตุผลเหตุผลเหตุผลต่างๆได้มากมายเหลือเกินดังนั้นขอให้ตนไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวพอเสร็จปั๊บอีก10นาทีไปเถอะมันก็กลายเป็นฝึกขันติตะบากไปในตัวขันติปรมังตโปติติกาขันติคือความอดแกล้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเอามาใช้สิใช้ขันติตาบาจะเกิดขึ้นหมเงี้ยทนไม่ได้รู้ไปบางทีใกล้ใจจะขาด่าจะแตกลองดูสิตรงนั้นมันทนไม่ได้หรอก แต่ตอนนั้นก็คือใกล้ตายแล้วทาจะแตกนั้นถ้าเราทนไม่ได้แสดงใกล้ตายแนละ้วบอกก่อนทาจะแตกให้ได้จ้นะได้ร่างกายของเรามันไม่สามารถที่จะมนาน่ะประคับประคองใช้สติกับมันใช้สมาธิกับมันใช้ปัญญากับมันหน่อยรับนระองว่าเราทําได้ในเอนเนีเน่ยมาฝึกมาหัดกันตรงนี้แหละอ่านะต่อมาก็คือทําที่ทําให้เกิดความไม่เสื่อมก็คือพยายามสํารวมให้ดีๆตาหูจมูกลิ้นกายใจ อีซสอวัอน2ก็คือประมาณหน่อยประมาณในการที่จะใช้ชีวิตที่นี่บริโภคแต่พอดีไม่เดิมได้ก็ไม่เดิมไม่กินได้ก็ไม่กินเป็นอย่างนั้นเลยประมาณในการนั่งเดินยืนนอนให้ดีๆประหยัดหน่อยอย่าเดินแล้ฟุ่มเฟือยพื้นที่500รไร่ก็เดินมาหมด500ไร่แต่ไม่รู้สึกตัวม่มีประโยชน์หรอกส่วเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานิดๆหน่อยๆแล้วรู้สึกตัวดีกว่า หลายๆอย่างการกินกันกบฉันเวลานอนก็เหมือนกันก็จึงมีอุจจารสายนะมหาสาย น, านะตรงเนี้ยนะเป็นศีลข้อ8ของศีล8เวลาเราประพฤติประมจันอุจจาสายนะมหาสายนาเวรมณีสิกขาประธานสมาธิยามิก็คือเจตนาเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่นอนใหญ่มันก็นุ่มอะนอนแล้วติดที่นอนติดหมอนโอ้เอ อีกนิดนึงนะ่ะอีกนิดนึงนะ่ะในการปลนะุกเนี่ยไม่ได้มีไว้ปลุกกันนะมีไว้เพื่อไอ้กดแล้วก็นอนต่อในการปลุกกับกดแล้วก็นอนต่อมีอยู่แค่นั้นนะก็คือมันติดที่นอนก็าก็จึงบอกเออนอนน้อยในวัยบาดทำนอนสี่น่ยนยนยายบดงานนอนสี่เศรษฐีก็นอน6ชั่วโมงยาจกก็นอนแปขึ้นไปเราก็ดูลรานอนวันวั น, วนกี่ชั่วโมงมันเทียบได้อยู่จะเป็นยาจกจะเป็นเศรษฐีจะเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างนี้นก็เลยประมาณในการนอน กินน้อยนอนน้อยเราปฏิบัติให้มากๆปฏิบัติยังไงก็คือรู้กายรู้ใจของเราให้มากๆจิตใจเนี่ยไม่เราไปดูเรกดูที่ตัวคิดกันและกันอาการของจิตนะคิดปั๊บกลับมาคิดปั๊บกลับมาคิดปั๊บรู้สึกคิดปั๊บรู้สึกนะแต่คิดแล้วรู้สึกได้ความคิดดับโอ้โหแสดงพัฒนาน่าดูเลยจากการดูกายเป็นดูจิตได้ดูกายไปดูกายมาดูเห็นจิตเลยดูจิตก็เห็นความคิดนั่นแหละดูความคิดก็เห็นกุศลอกุศลธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างเนี้ย ต่อมาก็คือพยายามสร้างธรรมที่เป็นเครื่องตื่นให้ได้ตลอดเวลาเวลาธรรมที่เป็นเครื่องตื่นคืออะไรชาคริยานุโยกน่ะคืออะไรชาคริยานุโยคโคน่ะคืออะไรก็คือการเจริญสตินั่นเองเรามาไปทำจิตตาภาวนาคือเจริญสติให้มากๆสติเป็นเครื่องตื่นมาอตื่นมันก็ต้องรู้รู้ก็ต้องเตือนมารู้ผ่า น, นก็ต้องเบิกบาน เพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวปัญญาเป็นแสงสว่างภายในใจของเราที่เมื่อตอนต้นได้พูดไว้ว่าเป็นช่องว่างในที่ขับขันเป็นจุดที่มันว่างๆเล็กๆคิดปั๊บมันมีรอยทันทีเวลาเรารู้ทันมันหลุดพุ้ยตรงนั้นน่ะปฏิบัติให้มันเห็นได้ๆรู้กายกันเหมือนกันรู้กายจนวางกายตรงนี้ปกติทุกกายนั่งแล้วเจ็บปวดเมื่อไหร่ทุกจิตด้วย แตม่มีช่องว่างอยู่ในที่ขับขันนะเวลาขับขันขึ้นมามันปกติเกิดอยู่ภายในนะตรงนี้แหละเป็นตัวดูสภาวะผู้ดูดูกายเห็นเวทนาดูเวทนาเห็นจิตจิตมันก็มีอย่างนั้นแหละอาการคิดต่างๆมากมายเหลือเกินเดี๋ยวรักเดี๋ยวชงังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวกลุ้มเดี๋ยวกังวลนะกิเลสเกิดขึ้นมาเดี๋ยวตัณหาก็ตามมาประทานกน็ยึดเข้าไปนะจนกลายเป็นเรื่องของความทุกข์แบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาพอเรารู้สึกตัวเออวาง ตัววางขึ้นมาก็สบายแล้วสิมาฝึกมาหาดตรงนี้ก็วางหูวางตาวางหน้าวางไม้วา ง, ม, วางมือขนาดเดินจงกรมขนาดที่เรานั่งสิบสี่จังหวะนะอย่าไปทำแล้วก็เหมือนกับวา่าเออไม่มีการสังเกตอันนี้นจะเสียไปลํเวลามากนะให้สังเกตบ้างมันก็จะเกิดปนะระสบการ์รูนะ้เห็นตัวเองนะมันไม่ได้เห็นอะไรมากมายหรอก มันเห็นความรู้สึกตัวกับความไม่รู้สึกตัวความรู้กับความหลงนี่แหละรันรันเนเถ้าหลงก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่หลงถ้ารู้ไม่ถูกก็หลงถ้ารู้ถูกก็ไม่หลงไหนเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้เงี้ยพอเราเคลื่อนมือรู้สึกอ๋อมันรู้สึกมันรู้สึกเรารู้แล้วว่าเรารู้ตัวอยู่ไะเราก็จึงมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอย่างเงี้ยเวลาจิตมันแวบไปเออกลับมารู้สึกตัว มันคิดอ่ามันคิดไปอดีตแล้วกลับมาปัจจุบันอ่ามารู้สึกตัวจุดเนี้ยบางทีก็ไปวิตกกังวลในอนาคตเงี้ยมามามาม า, มากลับมาปัจจุบันขนาอ่ามารู้สึกตัวมันก็เป็นคําตอบนั่นแหละกลับมาเองก็แล้วกันจะให้คนอื่นกระตุน้นเตือนมากมายเหลือเกินพยายามปลุกตัวเองกระตุน้นเตือนตัวเองเพราะว่าเราจะได้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตจริงของเราต่อไปอยู่ที่ตลาดก็รู้สึกตัวได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยก็รู้สึกตัวได้ จะอยู่ที่บ้านก็รู้สึกตัวได้ยืไหนในในโลกใบนี้ก็รู้สึกตัวได้นะมันก็จะได้เหมือนกับว่าได้รับประโยชน์ใช้กายใช้ใจของเราได้อย่างถูกต้องต่อไปอย่างเงี้ยนะนะอันนี้ก็เป็นระนาของการพูดในวันนี้ให้ฟังว่ามันไม่มีอะไรมากกว่าการฝึกหัดที่วัดป่าสุกโตนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมให้มาฝึกนะเคลื่อนไหวจนรู้สึกตัวให้เป็น จนถ้าความรู้สึกตัวมันทั่วสารพางกายจากพริบตาก็รู้สึกตัวจะหายใจก็รู้สึกตัวจะเกิดอะไรขึ้นมาความคิดเล็กๆน้อยก็รู้สึกตัวได้อันนี้แหละมันก็จะคือคุณค่าของการที่เรามาใช้ชีวิตร่วมกันที่วัดป่าสุกโตน ะ, ะก็ขอให้ความดีที่เราร่วมกันปฏิบัติธรรมหรือว่าการที่เราเพื่อมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมประพฤติปรมจรรมันทร์ บางคนภูมิจิตภูมิธรรมกระสูงที่นั่งอยู่ในนี้นะบางคนก็น่ากระลบมีความสงบมีความสํารวมแล้วก็ที่สำคันที่สุดก็คือทั้งวันก็เห็นว่าตั้งใจปฏิบัติธรรมเราก็เป็นคนที่ดูงดงามการปูดการจาหรือว่าการแสดงออกมีความงามอย่างสูงอย่างมีอยู่ที่ซ่อนๆจุดตัวอยู่ใ น, นนะทั้งแม่ชีก็มีทั้งญาติโยมก็มีบาศกบาชจิกาทั้งพระสงฆ์ก็มีเราก็ขอให้ บรรยากาศหรือว่าการประพฤติประมาจารย์ข้างทั้งหลายก็จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกขจนทั้งเราเข้าถึงความสุขเสมสารก็คือสภาวะของพระนิพพานโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนนั้นเธอ